นะเข้าที่วนั่งสมาธิภาวน า, า <c oughs> ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทั้งฟังทั้งไปด้วยเรียกว่าธรรมะปฏิบัติขาขวาทับขาซ้ า, ายปน ม, มือขึ้น <c oughs> น้อมอไว้นำอธิษฐานจิตแ <c oughs> บบนี้พระเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติเพื่อปฏิบัติบูชาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 ทุกประการเทินพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆตามจบแล้ววางมือลงมือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้ แนวแน่ว่าใจใจเป็นฐานเป็นที่ตั้งของสติรู้ว่าเรามีสติเราตั้งใจและลึกรู้ อยู่ในการฟังธรรมะรปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรมรมคือปฏิบัติต่อกายวาจาใจของเรานี่เองเพราะว่ากายวาจาเป็นรูปประธรรมใจเป็นนามธรรมรปฏิบัติต่อ กายต่อว่าจะต่อใจสติคุมใจหรือสติเป็นเพื่อนสองของใจนเมื่อมีความตั้งใจมีสติไม่ขาดวักขาดตอนกับใจคือความรู้มีความ และลึกรู้มั่นคงนี่เรียกว่าใจมีสติมีสมาธิมีสติมีสัมปชัญญะสติธรรมสัมปชัญญะธรรมรวมเกินกันไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจกับเรื่องอดีต ที่ผ่านมาท่านเนยว่าให้ยกจิตข้ามอดีตไม่ต้องไปถึงแม้มันเาจะแวบแต่ทิ้งเรื่องอะไรนะอดีตก็ให้รู้ปัจจุบันว่าขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เรารู้อยู่ตรงนี้เราทำงานในการรู้ใจรู้สติรู้จิตทั้งสติทั้งจิตทั้งใจ ให้อยู่ในปัจจุบันในจุดเดียวกันคือความรู้หายใจเข่าพุทธหายใจออกโทนี่เรียกว่าวิธีการปฏิบัติเจริญสมถะธรรมหายใจสงบคาว่าสมถะธรรมคือปฏิบัติเพื่อให้ใจมีความ สงบระงับจากสัญญาอารมณ์อย่างอื่นแล้วให้มันมีอารมณ์มันเดียวอันจึงเรียกว่าเอกคตารมณ์ใจรู้อยู่กับอารมณ์มันเดียวอารมณ์พุโทโธพุโทโธหรือหายใจเข้าหายใจออกอันเรียกว่าจิตเป็นเอกคตารมณ์มีอารมณ์ แห่งความรู้วันเดียวไม่ได้นึกได้คิดไปอย่างอื่นรู้รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้จนเด่นจนแน่วแน่เรียกว่าสติไม่ขาดว่าขาดตอนก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งความรู้ที่ท่านเรียกว่าสมาธิความตั้งใจมั่น ก็ตั้งความรู้นี่แหละรู้มั่นคงอยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เรียกว่าสร้างฐานสร้างฐานของธรรมฐานของธรรมอย่างอื่นคือสติเมื่อสติไม่พังเผอได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทความไม่ประมาท เป็นที่รวมของธรรมทั้งปวงท่านจึงอุปมาความไม่ประมาทถ้าอุปมาเหมือนกับรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มีรอยเท้าช้างใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นรอยเท้าของสัตว์เล็กสัตว์น้อยจะต้องรวมลงในรอยเท้าแห่งช้าง นี่นคือความมีสติไม่เผลอจึงว่าเป็นธรรมอุปการะต่อธรรมะอย่างอื่นอุปการะต่อปัญญาธรรมต่อสมาธิธรรมเมื่อสติธรรมไม่พังเผลอก็เป็นอุปการะต่อ คำว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นหรือใจสงบจากสัญญารมณ์มีอารมณ์อันเดียวรู้รู้อยู่อันเดีย ว, ว่าสมาธิปัญญาความรอบรู้ความรอบ ร, รอบรู้ในปัจจุบันรอบรู้ในกายรอบรู้ในจิตความนึกคิดรอบรู้ในสัญญาที่มันไปหมายมั่น มีปัญญารอบรู้ในกองสังขารเห็งว่าประชุมรวมลงที่สมาธิเป็นฐานคือความไม่ประมาทเป็นที่รวมของธรรมทั้งปวงกำหนดรู้ปัจจุบันส่วนเสียงสแสดงธรรมผู้ธรรมะก็จะสัมผัส กับหูรูกับใจจะได้อธิบายพูดธรรมะทำว่าอเศวนา อ, ะ, อะคือความไม่ไม่ส่องเสษกับคนผ่านอเศวนาจะพารานำคนผ่านภายนอกจากตัวเรา เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ทานภายในก็สาคัญทานภายในทานคือความเห็นผิดความรู้ผิดมันจะสำคัญมันหมายว่าเราเป็นผู้รู้ถูกรู้ชอบถูกต้องตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้ถูกรู้ชอบตามอริยสัจธรรม มันจะมีความเห็นผิดเกิดขึ้นเห็นผิดจากทานองของธรรมเห็นผิดจากความเป็นจริงแห่งธรรมะธรรมะตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติธรรมคือให้เจริญศีล สมาธิปัญญามีเท่านี้เส้นทางที่จะนำไปสู่ความรู้ความตัดสรู้หรือความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งหลายคือสติสติชอบท่านให้เจริญสติ จเจริญสติและความเห็นผิดความเป็น่านมันจะทอดทุละสติไม่สำคัญไม่ต้องจเจริญปล่อยให้มันรู้มันจะนึกจะคิดอะไรสัญญาสังขารปรุงจะแต่งแล้วก็ปล่อยให้มันปรุงไปแต่งไป ไม่ต้องสกัดกัน้นไม่ต้องฝึกไม่ต้องกำหนดไม่ต้องเจริญสติปล่อยให้มันคิดไปฟุ่งไปตามความอยากนึกอยากคิดอันความเห็นอย่างนั้นเป็นถือว่าเป็นพานภายในใจของเราพลาด การไม่คบคนพานแล้วก็คบความเป็นปราดนักปราดบรรัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานความเป็นปราดก็คือปัญญาฉลาด ร, รู้เท่าทันเมื่อความเห็นมันมันเป็นไม่เป็นไปตามทํานองของธรรมไม่เป็นไปตามเหตุผลที่จะให้เกิดความสงบสุข การส่งกิจออกการไม่สกัดให้มีสติไม่เจริญสติให้ต่อเนื่องกันนั้นเป็นการส่งออกส่งตามสัญญาอารมณ์ก็เป็นการตามคนพานไปตางคนพานพาไปหาผิด ต, ตามบัณฑิตพาไปหาผล บัณฑิตก็คือความเป็นผู้มีความเพียรกําหนดสติตั้งใจทําสติให้รู้ตัวให้รู้ปัจจุบนันนี่เป็นปราชเป็นปราช ือครบนักปราชปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจเจริญสติสติต่อเนื่องกันสมาธิความมั่นคงของใจก็จะเกิดขึ้นเราก็จะรู้ความมั่นคงของใจใจไม่วอกแวกไม่มันแี่นคอนแคนตาม สัญญาลมตามสิ่งที่กระทบปัสสอายตนะมันจะแ น, แนวมันจะวางเฉยจากเรื่องอย่างอื่นมันจะมุ่ง ม, มัน่นหรือมันจะดูดื่มอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกดูดื่มอยู่กับคาว่าพุทธหายใจเข้าโทรหายใจออก สังเกตดูถ้าใจของเราน่วแน่แน่วแน่ดู ด, ดื่มเหมือนเดียวกว่าใจมีสมาธิธรรมคำว่าธรรมคือสมาธิสัมผัสกับใจมันจะเบาสบายใจเป็นธรรมเป็นสมาธิ จิตก็เบากายก็เบาทันทีว่ากายยรหุตากายก็เบาจิตรหุตาจิตก็เบาเมื่อกายเบาจิตเบา่ใจเป็นสมาธิสัมผัสกับสมาธิธรรมเป็นอาหารใจที่นี่ก็ควรแจ่การ พินิจพิจารณาเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องลองรับลมีสมาธิเป็นฐานแห่งความรู้แล้วก็น้อมพิจารณาคือไม่หยุดอยู่แค่ ทำสมาธิเท่านั้นไม่เอาความสุขอยู่แค่ความสุขเกิดแต่สมาธิที่นี้เราทำงานเพื่อจะให้รู้ความเป็นจริงของสภาวธรรมความเป็นจริงของสมมุติโลกความเป็นจริงของกาย เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อให้รู้ความจริงของขันทั้งห้าจริงต้องน้อมลงสู่การพิจารณาควมลงสู่การพิจารณาพิจารณาในกายอายังโขเมกายโยกายของเรานี่แหละ กลายเป็นสิ่งที่แปรปวนกลายเป็นสิ่งที่เป็นสภาวะที่ต้องคำค่าเกิดแล้วต้องแก่เมื่อมีความแก่มืม่มกม็มีความเก็บความเจ็บความป่วยความเป็นไข้ความไม่สบายในกายก็ย่อมเกิดขึ้น นันท่านเรียกว่าทุกขเวทนาเวทนากายที่สัมผัสศบกายนี่พิจารณากำหนดรูปเวทนาเกิดขึ้นก็กาหนดรูปความนึกคิดเรียกว่าจิตตังก็ำกำหนดรูป รูปกายตามเป็นจริงรเกิดแล้วก็แก่ก็ เ, เก็บก็แปรปวนไปท้ายก็ต้องแยกสลายจากกันไปคือพิจารณาให้รูปความจริงของจายที่เรียกว่ารูปธรรม มีความรู้ความเห็นในสมมุติ่ร่างกายของเราร่างกายของผู้อื่นมันก็เหมือนกันตกอยู่ในสภาพอันเดียวกันนี่ถ้าพิจารณาอย่างนี้เรียกว่ารบนักปราชญ์บัณฑิตเพราะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือว่าเป็นอุบายเป็นวิธีที่กระทำแล้วพิจารณาแล้วจะต้องเกิดความรู้จริงเป็นจริงแห่งสมมุติคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคันห้าหนึ่งเป็นสมมุติมันตกอยู่ในสภาวะแห่งสมมุติ ตกอยู่ในสภาวะแห่งสมุติก็เรียกว่าตกอยู่ในสภาวะแห่งลักษณะตามความเป็นจริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ ต, ชต น, นพิจารณาอย่างนี้กลับไปกลับมาทบทวนเมือ่อจิตของเรามีฐานแห่งสติสมาธิเลยกำหนดรูปมันก็เข้าใจความจริง ไม่เป็นเพียงสัญญาจำมาไม่เป็นเพียงอารมณ์ที่จำมาที่มันจะเห็นความจริงทั้งเรียกว่าทั้งรู้ทั้งเห็นในสภาวะธรรมตามเป็นจริงแล้วมันก็จะวางอยู่ในตัวค อ, อยวางว่างเมื่อจิตใจของเราอาศัยการปฏิบัติ เดินปัญญาพิจณาให้มันเข้าใจสภาวะธรรมแห่งความเป็นจริงทั้งหลายมันรู้ละรู้วางว่างจากความยึดความถืออย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นความเบาสบายเป็นความสุขนี่ความเข้าใจในธรรมะย่อมนํามาซึ่งความสุข นี่พิจารณาการพิจารณาธรรมพิจารณารูพิจารณาเวทนาความสุขความทุกคือความไม่สบายความสุขคือความสบายมาเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วมันก็จะไม่ยึดไม่ถือมันจะเพียงรู้ความเป็นจริง มันจะเข้าไปถึงความรู้ว่างของใจใจก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อรู้เท่าคนผานรู้เท่าความเป็นผานพบคาสมาคมกับนักปราชญ์คือสติสมาธิปัญญาณชอบ ก็จะนำความเป็นอุดมมงคลได้ชื่อว่าบูชาบูชาจะาปูชนียนังปูชนียบุคคลอุปรารหะหรือปูชนียบุคคลที่ควรบูชาพิดามดาพระพุทธธรรมประสง์ผู้มีพระคุณครูประช า, า, ารย์ นี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ควรบูชาตามสมมุติที่นี่น้องเข้ามาสิ่งที่ควรบูชาอย่างยิ่งก็คือใจบูชาใจของเราพอพุทธธรรมสงรวมเข้ามานีใจของเราเป็นประธานเมื่อใจรู้ใจเห็น พร้อมลูกพร้อมเห็นประชุมลงที่ใจเห็นธรรมะตามเป็นจริงเลยก็กลายเป็นผู้รู้กลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามพระพุทธเจ้าก็คือใจของเรานี่แหละรู้ตื่นเบิกบานเบิกบานต่ออะไรเบิกบานต่อความจริงเบิกบานต่อการรู้ความจริงไม่ลง มันลงแล้วมันหดหูตีบตันมันรู้เรามันปลอดโปรง่งมันโลง่งมันว่างมันวางนี่คือการรู้การเห็นในธรรมตามเป็นจริงใจของเราก็กลายเป็น มีรมเป็นเครื่องรูกเครื่องอยู่ึงจะเป็นผู้รูกผู้ตื่นผู้เบิกบานนำความเป็นอุดมมงคลเพราะการบูชาสิ่งที่ควรบูชาย่อมได้รับความสุขความสบายความรู้ความเห็นอันชอบ ลใจเนี่ยเมื่อมันมีอาการแห่งความรู้ความเห็นชอบตามเป็นจริงมันจะมีความสุขมันจะมีความสุขเพราะทำถ้ามันเห็นผิดจะเป็นความทุกข์เป็นความทุกข์ความเศร้าหมองความกังวลกวาย จะเกิดขึ้นภายในใจที่มีความเห็นผิดสิ่ไม่มีความเห็นชอบเพราะไม่ได้บูชาพระพุทธธรรมประสง์หรือพระพุทธธรรมประสง์ไม่ได้บันจุเข้าสู่ใจจึงไม่นับว่าเป็นการบูชา เราปฏิบัติมีความเพียรเพ่งประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเรียกว่าอริยมรรคหรือว่าหนทางมักมีองค์แปดประชุมรวมลงปัญญาสมาธิที่ตอมเห็นชอบ มันจะหมดปัญหาภายในใจมันจะไม่สงสัยความสุขความทุกข์มันไม่สงสัยความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคเลเราเขาพอมันจะรู้จะเห็นความเป็นจริงแห่งสมมุติทั้งหลายมันจึงถอนความเข้าไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนตนั่นมันจึงหมดปัญหา หมดปัญหาแห่งความทุกข์นี่แต่ความโล่งความปลอดโปร่งโล่งสบายมีพาอการปฏิบัติธรรมหรือดำเนินตาม ร, รมที่ให้เกิดความเป็นมงคลคือไม่คบคนผ่านเสวนาจะพารนัง ไม่ท่องเสพไม่คบค่าสมาคมกับคนผานหรือจิตที่เป็นผานปัญญาอารมณ์ที่เป็นผานแตะคบค่าสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตรีอธรรมะที่เป็นความปราดเตืองความรู้ความจริงรู้ละรู้วางที่ท่านเรียกว่าผู้สล สลาธรรมคือจิตที่มีความฉลาดความฉลาดรูยานารูความเป็นจริงแห่งสมุิหรือว่ารูลรักษณะความเป็นจริงของสังขาร ของกายวาจาใจใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่เรียกว่าศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะ ส่วนกินยาการอย่างอื่นท่านก็เรียกว่าทมเหมือนกันทมเบื้องต้นทมคุ่มครองโลท่ทมคุ่มครองจิตใจ <c oughs> แต่แกพรมมวิหารธทมทั้งสี่เ <c oughs> มตตากรุณามุทิตาเบญาน เป็นอาการอาการหาแห่งเมตตาคือปาณาจนาให้เป็นสุขไม่คิดที่จะทําทุกข์แก่ผู้อื่นให้ทุกข์แก่ผู้อื่นคิดแต่จะทําดีคิดแต่จะช่วยเหลือเพื่อให้คนทํา ม, มีความเห็นผิดอยู่ช่วยเหลือเพื่อจะให้มีจิตมีความเห็นถูกเห็นชอบพ้นจากความเห็นผิดเป็นอิสระ ในธรรมนี่เรียกว่าเมตตาปาถนายเป็นสุขกรุณาความเป็นดูสงสารพยายามช่วยมุทิตาเมื่อช่วยได้หรือผู้ยื่นพ้นจากความทุกข์มีความเยินดีด้วยมุทิตาจิตเบกขาทำใจความรู้อยู่เป็นกลางๆ เข้าใจทั้งฝ่ายสุขเข้าใจทั้งฝ่ายทุกข์แล้วก็ไม่ยึดทั้งสุขไม่ยึดทั้งทุกข์ไม่เสียอกเสียใจเมื่อทุกข์เกิดขึ้นไม่หลงดีอกดีใจไม่ลืมตัวเมื่อประสบกับความสุขทำใจไวเป็นกลางกลางอย่อุเบกขารม จะทําอย่างนั้นได้จะเข้าใจได้ก็ต้องอาศัยปัญญาอาศัยการพิจรารณาพิจารณาเมตตาพินาอุเบตตกขาพินาาเมตตาพิจารณากรุณาพิจารณาโมทิตาวเบกขาก็เรียกว่าพิจารณาในธรรมเหมือนกัน เมื่อพิจารณาเมื่อภาวนาเจริญสมถะเจริญวิปสนาแหละผลคือความรู้ความเข้าใจความรู้ความเห็นธรรมะตามเป็นจริงนั้นก็ไม่หลงไม่หลงทุกข์กับทุกข์ไม่หลงทุกข์กับสุข จ, งจึงจะเรียกว่าจิตเป็นกลางๆจิตเป็นอุเบกขาอยู่เป็นกลางๆี่อยู่เป็นกลางๆได้ด้วยการฝึกการเจริญสติสมาธิและปัญญาอาการที่อยู่เป็นกลางๆที่วอุเบกขานะมันเป็นผลเป็นผลมาจาก การภาวนาปฏิบัติจเจริญสติให้ต่อเนื่องกันแล้วก็ใจตั้งมั่นต่อเนื่องกันแล้วกัความรู้ความเข้าใจที่เรียกว่าปัญญาสอดส่องทราบซึ่งถึงความจิงถ้าหาว่าเป็นเพียงความไปจำท่านเรียกว่าสัญญา ฟังไปจำไปฟังฟังแล้วไปจำไว้เฉยๆมันไม่ลึกเข้าไปสู่ความรู้ความเห็นภายในใจอันเรียกว่าสัญญาอารมณ์เมื่อได้พิจรนารณามีความเพียรเพ่งอันรู้เห็นตามสมมติเห็นตามความเป็นจริง มันปล่อยวางว่างภายในใจเองนี่ไม่ได้สมมุติไม่ได้ปัญญาตอันเรียวว่าทรรมสัมผัสใจความว่างความวา ง, วาวางเป็นผลมาจากสติสมาธิปัญญาเข้าใจในสมมุติคือความสมมุติมันไม่ใช่ความจริง ไปหลงสมมุติไปเข้าใจว่ามันเป็นจริงแต่มันไม่จริงเป็นเพียงสมมุติอย่างตายของเราหรือสมบัติของเราว่าอันนั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเรามันไม่เป็นจริงจริงเป็นเพียงสมมุติถ้าเข้าใจว่ามันไม่เป็นจริงมันเป็นเพียงสมมุติเรียกว่าเข้าใจทางความเป็นจริง แล้มันจะไม่หนักมันจะไม่เป็นทุกข์เมื่อเวลาสิ่งของนั้นหายไปตกไปแตกไปบกพร่องไปความเข้าใจด้วยปัญญาเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเข้าใจไว้ก่อนเมื่ออาการมันต้องเกิดขึ้น มันก็ไม่กระทบกระเทือนมันไม่เป็นความทุกข์เข้าไปถึงใจใจก็เป็นธรรมชาติเมตตากรุณาเมตตาอเบขาอยู่แต่พะใจใเมื่อทำเข้าถึงใจใจเข้าถึงธรรมมันจะมีอาการอย่างนั้น ที่จะให้มันเข้าถึงที่จะให้รู้ให้เห็นก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องเจริญภาวนาต้องทำให้ต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆฐานังเทติสีังเทติภาวนาเทติภาวนาไปเรื่อยๆ ปฏิบัติไปเรื่อยๆทำบุญทำทานเสียสละจาคะเ่ไม่มีอะไรปฏิบัติทำทำเป็นของเก่านี่แหละพูดเวลาไหนก็พูดเป็นของเกา่าเรื่องเกา่าที่จะทำให้ใหม่ก็คือปฏิบัติตั้งใจภาวนา ทำสติให้ต่อเนื่องมันคำว่าอุบายบายของการแห่งพิจารณาถ้าหาว่าไม่มีความเพียรดาเนินต่อจิตใจอย่เมื่อเราภาวนามัน มีสติต่อเนื่องมันมีความสุขความสงบสบายมันก็อยากจะอยู่แต่ความสบายหรือมันไม่คิดไม่ปุงไม่ฟุ้งไปตามธุรกอรจิตการงานอะไรละ่ะมันเข้าใจเรื่องสมมุติเข้าใจเรื่องวีมด ม, มันก็อยากจก อยู่สงบสงบมันจะไม่ค้นไม่พิจารณาต่อแค่ที่จริงมันสงบมันสุกอยู่แต่มันยังไม่หมดเชื้อที่จะให้เกิดทุกข์นี่ไปเข้าใจว่ารูปหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วต้องเข้าใจเอาเองความเป็นประ จ, จักตังยังไม่ตัดสินจากการปฏิบัติ พอภาวนาไปนิดหน่อยเอาละรู้แล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องภาวนาเรจะไปนึกเอาว่ามันไม่มีอะไรแล้วหลงแล้วไม่มีอะไรแล้ว อ, อยู่แต่กับความสุขความสบายากับสมาธิแต่พอมันเสื่อมเพราะว่ามันยังอยู่ใต้กด ของความมเที่ยงมีความเสื่อมได้สมาธิเสื่อมสติเสื่อมเพราะยังเพรามันยังไม่ถึงที่สุดมันสัญญาเสื่อมกลายเป็นสัญญาลมไปหมดมันก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาพระ้างการทำไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยๆ การภาวนาคือการกลมเกาตัวเหตุตัวปัจจัยก็คือใจของเราต้องกลมเ ก, าเก่าจนมันรู้ว่าไม่มีอะไรมันไม่มีทุกข์มันไม่มีหลงเข้าใจสมมุติตาม เนจริงเข้าใจวิมุติเข้าใจสมมุติแล้วก็ปฏิบัติการดําเนินชีวิตการปฏิบัติทำเมื่อมันมีกาลังเมื่อมันเป็นมันเกิดมันมีมันเป็นมันรู้มันเห็นก็ยังต้องปฏิบัติไปอยู่นั่นแหละ ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ารู้แล้วเห็นแล้วยุดอันนั้นมันนึกเราเองรู้แล้วเห็นแล้วยิ่งขยันยิ่งขยันภาวนายิ่งขยันฟอกฝนแยกแยะเดี๋ยวว่าเอารำนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขวิหารธรรม อาการกําหนดเอาการรวมในความสงบในอารมณ์อันเดียวหนึ่งเอาการเพ่งที่นิจพิจารณาแยกแยะให้ควรเรียกว่าธรรมวิทยะพิจารณาในธรรมเป็นเครื่องอยู่เครื่องรู้กําหนดอยู่ในความรู้ในใจในความสงบ เราปฏิบัติเข้าใจว่าเรารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วก็ยังต้องใช้ต้องอาศัยต้องปฏิบัติตามส่วนไหนที่เป็นสมมุติก็ปฏิบัติตามสมมุติเป็นส่วนที่เป็นวิมุติมันเป็นเรื่องของธรรมชาติใจมันไม่มันถึงไม่มีอะไร มันจไม่มีอะไรนะความเป็นวิมุตติความรู้ความเห็นความปล่อยความวางอะไระมันเป็นความว่างมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีทุกของใจนะ น, นั่นมันไม่ท่านจึงเรียกว่ามันไม่มีสมมติเพราะว่ามันไม่มี กายไม่มีวาจจไม่มีรูมีสัญญาสังขารวิญญาณความรับรู้รับทราบว่ามันเป็นสมมตุติแต่เมื่อมันรู้ถึงแม่ว่ามันรู้มันเข้าใจในสมมุติพิ ม, มุติแล้วา ก, กัารความเป็นอยู่ในสมมตุติยังมีอยู่ก็ต้องใช้สมมุติ ตัวอย่างเรารักษาศีลแล้ ร, รักษาศีลแล้วต้องอาศัยสมมุตินึ่งเนี่เพราะว่าที่จะรักษาเนี่ยรักษาตามสมมุติคนใจเนะี่ยมันไม่มันไม่เป็นสมมุติแต่ว่าเชื่อแห่งความหลงความลงสมมติมันจะมีอยู่ที่ใจ เพราะฉต้องเอามาใชา้ต้องมาค้นมาคว้าทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจทั้งสมมุติวิมุตติการรักษาศีลการทําทานให้ทานมันเป็นสมมุติมันอาศัยวัตถุอาศัยสมมุติอาศัยรูปอาศัย ใจ่เรียกว่าให้ทานภายนอกรักษาศีลภายนอกนเมื่อรูปเมื่อกายวาจามันยังมีอยู่ก็ต้องปฏิบัติ ง, งดเว้นจากบาปจากข้อปฏิบัติ ง, งดเว้นจากการปฏิบัติที่ ิดเป็นการที่ท่านม่นให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถึงแม้มันจะรู้มันจะเป็นจิตใจนี่มีปัญญาเป็นวิมุตตเลยก็ต้องรักษาก็ต้องไม่ฆ่าก็ต้องไม่รักก็ต้องไม่ประพฤติผิดมิสาจาย์ จะต้องไม่พูดเท็จหลอกลวงอำพางจะต้องไม่ต้องก็ต้องเล่นจากการดื่มจิ้เครื่องดองของเมาไม่ใช่ว่ามันเป็นวิมุตเข้าถึงความจริงแล้วไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยไม่ปฏิบัติไม่รักษา ฆ่าสัตว์ทำลายชีวิตใครไปทำไปฆ่าไปพอฆ่าแล้วก็ไม่มีบุญมีบาปอะไรเป็นผู้พ้นแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันพ้นมันหลุดมันพ้นไปแล้วมันก็ไม่ต้องทำสิ่งเหล่านั้นแต่ยิ่งไม่ทำทั้งภายนอกทั้งภายในนีเรียกว่าปฏิบัติตามสมมติตามข้อห้าม ก็ยังต้องปฏิบัติเพนยังเกี่ยวกับสมมุติอยู่ส่วนภายในนั่นมันรู้เห็นความเป็นจริงตามความชอบธรรมแล้วเห็นอนิี้จังทุกครั้งอนาตาเห็นรูปนามกายใจตามความเป็นจริงแห่งสมมุติแล้วอันนั้นมันก็ไม่มีอะไรภายในนั่น อี่เดียวมันหมดเชื่อหมดเชื่อแห่งทุกข์ที่นี่ที่ยังไม่เข้าถึงนั้นยิ่งต้องปฏิบัติเหมือนกันกับเราลงทุนค้าขายเพื่อหากำไร มันต้องสำรวมต้องระมัดระวังทั้งทุนทั้งกำไรการค้าการขายได้กำไรมาจากการลงทุนเพิ่มพูนทุนเพิ่มพูนกำไรนี่มันก็เป็นความร่ำรวยขึ้นมาทีานี้ไม่ใช่ว่าร่ำรวยแล้วจะต้องทอดทุเละกับทุนกับกำไรที่จะต้อง หมูนต้องทำยิ่งเพิ่มยิ่งมีกำไรมันก็ยิ่งต้องทำยิ่งเพิ่มยิ่งเก็บยิ่งประหยัดไปเรื่อยๆมันจึงจะทรงความเป็นผู้ไม่ขาดทุนศูนย์กำไรนี่ในส่วนสมมุติ มันเกี่ยวกับรูปนามกายใจเเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญามันเป็นสมมุติทั้งหมดเป็นสมมุติเราไม่ใช่ว่าเมื่ออาศัยจนเข้าสู่วิมุตติรูปพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงแล้ว จะไม่ต้องอาศัยในเมื่อมันยังมีสมมุติคงคืนกันมันก็ต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาก็ต้องอาศัยรักษาศีลจเจริญเมตตาภาวนาอยู่อย่างเก่านั่นแหละจำกป็นว่าสมมุติมันออกจากกันมันเลือแต่ จิ ต, ตวิมุตติวิมุติทางจิตนั่นนั้นมันไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอะไรหรอกความรู้ความเห็นคิดตามที่กล่าวมาว่ากิเลสมันก็จะบอกมันเป็นความเห็นผิดเราภาวนาพภาวนาแล้วทำบุญทำทานแล้ว อนแล้วก็มีแล้วเราได้ทำแล้วภาวนาแล้วก็ได้ภาวนาแล้วปฏิบัติธรรมล้วก็ปฏิบัติอ่ะทีนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรอีกไพระสวดมนต์ก็ไม่ต้องไหว้เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงค์เข้าถึงใจของเราแล้วอันนี้มันยังเป็นความเห็นผิดอยู่มันยังไม่เข้าใจในสมมติวิมุต ตามเป็นจริงถ้าผู้ที่ท่านเข้าใจท่านรู้มีธรรมะเป็นทุนแล้วก็ยิ่งรักษาอิ่งรักษายิ่งขยันเหมือนกันกันกบคนค้าขายนั่นแหละยิ่ค้าขายยิ่งทําธุรกิจอันใดที่มันเพิ่มพูนทุนกําไรก็ยิ่งขยันไปเรืเร่อย ก็เหมือนกันล่ะความเป็นบัณฑิตความเป็นบัณฑิตในใจิตใจอมันจะไม่ให้ท่อถอยในการรักษาศีลการทําบุญทําทานการเจริญเมตตาภาวนานจะดูดื่มไปเรื่อยแต่มันท่อถอยหรือมันขี่เกียรติมันบอกให้หยุดให้ทําเลรออันนั้นมันเป็นพานเพราะฉะนั้น ธรรมะที่อธิบายว่าอาศสวนาจะพารณังการไม่พบผ่านทาั้งภายนอกภายในนั่นเป็นอุดมมงคลเป็นสง่าราศีเป็นความเบิกบานต่อกายใจ ปณิตานันจะเสวนาการพบผ้าสมาคมพบหาบัณฑิตนักปราชก็นำความเป็นมงคลเราจะได้รู้อันไหนผิดอันไหนถูกอย่างแกมแจ้งจะได้เข้าใจในความชอบและความไม่ชอบอย่างแกมแจ้ง บูชาจะบูชนียานังการบูชาด้วยความมีปัญญาบูชาบุคคลที่ควรบูชาและรวมเข้ามาบูชาต่อใจพระธรรมคือใจของเราด้วยด้วยความกตพิดดีปฏิบัติชอบเียเดียวบูชาด้วยปฏิปติบูชา นำมาซึ่งความเป็นอุดมมงคลอันยิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสาระเป็นแกนสารเป็นเครื่องอาศัยของจิตใจของเราที่จะให้ ในรับความสุขที่จะดำเนินตามเส้นทางที่จะให้พ้นจากความรุ่มหลงให้เกิดปัญญาชอบมีแต่การเจริญธรรมะปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ทานแล้ก็กำหนดรูกจิตใจของเรา เป็นใจที่มีความเสียสละเสียสละแจกแบง่งไม่โลภไม่มีความโลภถ้าไม่สละมันก็นเรียกมีความโลภต้องดูอย่างนี้ใจของเราเป็นใจที่ชอบเสียสละช่วยเหลือไม่โลภไม่เก็บไม่ส ง, งวนไว้เฉพาะตัว เดี๋ยใจไม่มีความโลภหรือมีก็มีน้อยแต่พยายามปฏิบัติเพื่อละความโลภมีความโกรธเพราะความถือตัวมันโกรธเพราะความถือนะั่นถือว่าตัวได้ตัวมีถือโกรธถือแท้ถือยศถือศักดิ์ชาติ ถือชาติถือสกุลจเป็นว่าความถือเนี่ย <c oughs> มันก็เป็นเหตุให้เกิดความโกรธถ้ามันรู้มันเข้าใจมันก็ไม่ถือมันมีธรรมชาติเสียสละในภายใน จ, ใจิตใจเรียกว่าทานการให้ที่เป็นปรมธถทาน คือความเสียสรละในจิตใจไม่มีความถือไม่มีความถือมันก็ไมไม่เป็นเหตุให้เกิดความโกรธไม่เกิดโทสะมันก็จะรู้เหตุรู้ผลพูดอะไรก็พูดตามเหตุตามผลก็ะทาอะไรตามเหตุผลนี่มันจะเป็นความละเอียดเข้ามาอย่างนี้ การปฏิธรรมปฏิบัติธรรมการให้ทานการสังวรความมีสติสังวรสารวมไม่ทำโทษทำแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แล้ก็ความสังวรสารวมมาเข้าใจความจริงของขันห้ารูปนามกายใจสัญญาสังขารวิญญาณ นี่ที่จะรู้สิ่งเหล่านี้จะต้องภาวนาการที่จะเอาชนะความถือหรือต้องโกรธจะต้องเสื้อสละท่านจึงว่าทานนะทานดีการให้จะคะสละออกไปเมื่อมีการให้การสละนะ ก็ให้ภาวนาภาวนาให้เจริญสติเพิ่มเติมให้มันมีกำลังมากขึ้นเจริญสติมันมีกำลังมากใจมันก็ตั้งมัน่นเป็นสมาธิความตั้งใจมั่นในการภาวนาเพียนเพ่ง ภาวนาไปเรื่อยๆที่ น, นี่อันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญยิ่งให้เจริญให้มากทำให้มากเจริญสติฝึกสติให้มากในโคดสังคะสูตรพุทธเจ้า แ, จแสดงเรื่องทมที่นำไปสู่ความเบิกบาน นำไปสู่ความสว่างสวยัยความรู้ความตื่นความเบิกบานท่นก็บอกเลยว่าสติโค้ดสังขาโคดสังโคสติสังขาโตสติความระลึกรู้ธรรมนังวิจยโยตฐานธรรมวิจยะยือสติปัญญาสอดสองสอดสองรอบกาย รู้เรื่องของกายสอสองรอบจิตความนึกคิดรู้รอบความนึกความคิดเป็นบุญหรือเป็นบาปคิดดีหรือคิดชั่วคิดให้เป็นภาระคือหรือคิดและปล่อยวางเมีความรู้ความเข้าใจ เ, เรียกว่าธรรมวิจยะ ธรรมานังวิจยโยตถะาินิวินิยมวิริยะความเพียรเมื่อมีความสอดสองรูปเหตุรูปผลความเพียรก็พยายามไม่ทอดทุระเนี่ยวเป็นผู้มีความเพียรกล้าที่ไม่ทอดทุระกำานดสติฝึกสติก็จนมันต่อเนื่องกันแนวนี่นั่ ความเพียรเพ่งเพียรเพ่งเพียรระลึกมันก็อยู่ด้วยกันวิริยามปีวิริยะมันมีความเพียรมีวิริยะความเพียรเพ่งจิตมันก็สงบมันก็ตั้งมัน่นมันก็เกิดปิติปิติเราไม่ได้สร้างไม่สร้างกับการนึกปิติปิติปิติปิติ พิจินี่ไม่ได้สร้างแต่สร้างธรรมวิจัยะความสอดส่องให้เข้าใจเหตุผลตามความเป็นจริงมันก็ใจมันก็สงบก็ตั้งมัน่นมันก็เกิดพิติความอิมอ่มใจอิ่มกายอิ่มใจพิติความอิ่มในธรรมปัตติเมื่อมันมีพิติความอิ่มเออเรืวก่อ มันก็สงบจากค่าศึกสงบจากสัญญาอารมณ์ที่จะไปหมายมั่นอันนั้นอันนี้จที่ยงว่าปัจสถิคือความสงบจากอารมณ์ที่เป็นค่าศึกของใจที่สงบจากเหตุที่จะให้เกิดความวาทุกข์ฉันเรียก ว, วา่าปัจสธิ ความสงบจากค่าศึกของใจจากรมที่เป็นเหตุให้ใจเดือดร้อนมีปัสธิและก็มีสมาธิอุเบกขามก็เป็นผลพ่วงกันไปนี่พ่สังทศสูตร โคดสังโคสติสังคาโตธรรมมาังวิเจยตธะยิริยามปิติปสัสสิโคดสั่งคาจตธาเะเรสมาทุเปสมาธิสมาทุเปขโคดสังคาสเ ต, เตเตสปัทสินานมีสมาธิอุเวขาประชุมพร้อมกันอย่างนี้นสมาทุเปขโคดสังคาสเตเตสปัทสินาน โมเนนะสมดดาคาตาภาวิตาพระโฮรีกตาคึงเจริญให้มากทําให้มากโยคาวจรผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อมีความเพียรเพ่งอยู่เจริญให้มากทําให้มากก็ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ความเห็นเป็นไปเพื่อความสิ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงโดยชอบ เน่ให้ปฏิบัติสนใจภาวนาดูจิตดูใจรู้จิตรู้ใจทานแล้วก็ได้ทำแล้วมีแล้วศีลแล้วก็เอตนาสังวรรักษาโทษกระภาวนาเจะเจริญให้มากทำให้มากคือจเจริญสติ จะมาที่ปัญญานี่เองนี่เราจะพ้นจากความทุกข์จริงๆได้แต่เรามีอย่างอื่นมีสมบัติโลกิยะสมบัติอันนั้นมันไม่พ้นจากความทุกข์จริงหรอมีสมบัติความร่ำรวยเงินทองมีเกียดมียศมีศักดิ์มีสี นั่นมันไม่ได้พ้นจากทุกอย่างแท้จริงนันเป็นเพียงการบําบัดตามความอยากของเราความอยากให้มีอยากให้เป็นอยากมีทรัพย์สินเงินทองมากๆก็มีมก็บําบัดความอยากไปนิดๆหน่อยๆไม่ใช่ว่ามันขาดมันตัดความอยากมันให้ขาดไปอยากมีเงินมีทองมีขา้าวมีของมี วัตถุสมบัติมีเกียดมียศมีอำนาจได้ยศมาได้อำนาจมามันก็ไม่ได้พ้นจากความทุกข์ไม่ได้พ้นจากความเกิดความแก่ความเก็บความตายไม่เหมือนได้ทำไม่เหมือนการภาวนา การทำทานมีอเนสงฆ์ให้เป็นผู้มีพอค้าสมบัติมีปจัจจัยสีสมบูรณ์บริบูรณ์การรักษาศีลเป็นผู้มีความไม่ฟุ่งซ้านลำคาญของใจการรักษาศีลไม่มีโทษ ไม่มีเหตุที่ให้เกิดเป็นความทุกข์ยากลำบากเพราะเสียทรัพย์ไม่ให้เกิดเหตุเพราะไฟไหม้น้มท่วมนีม่อนิสองของศีลคุ่มกันสมบัติ ที่หามาได้คุ่มกันสมบัติภายในคือคุ้มการคุ้มกันกายใจของเราไม่มีวิธีคิดชา้าไม่มีความวิตกวิจาร์พ่อโทษอันนั้นอันนี้จะเกิดขึ้นเพราะเราสํารวมกายใจกายวายใจาใจของเราไม่ ล่วงล่ำเข้าไปในเขตให้เป็นโทษภาวนานทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดความเห็นชอบตามความเป็นจริงเรียกว่าตัดตัดกระแสแห่งความหลง ส, งสิ้นสุดออกไปกลายเป็นความรู้ตื่นเบิกบานต่อความเป็นจริงแห่งธรรมนี่พ้นทุกข์อย่างแท้จริงได้ ว่าอยู่เนื้อทุกอยู่เนื้อสุกเนื้อทุกได้ด้วยปัญญาว่าได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปะระยิโกโอน้อมเข้ามาสู่ใจน้อมใจลงสู่ธรรมสนใจมุ่งมั่นในการประพฤต ทำปฏิบัติธรรมเจริญสีนสมาธิปัญญาให้แก่กล้าให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อแต่นั่นไปพอใจประสบพบความสุขความเจริญในธรรมตามาศาสนาธรรมครามสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำได้สแสดงธรรม ะ, ระเห็นว่าสมควรแก่เวลาด้วยหนาแทแห่งคุณของ พระพุทธเจ้าประรมพระสงค์บุญกุศลคุณงามความดีจงเป็นพร ะ, ระกำลังอำงวยอวยชยัยให้ทุกท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญในธรรมในบุญกุศลปัตยนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบกระกอบเพื่อทำเนีย่ยพอสิ่งนั้นจงเป็นคนสําเร็จงเป็นสําเ็จในที่คืกสถานในการทุกเมือ่อจง ทุกท่านทุกคนเอง